จากพระวจนะของพระเจ้าอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเวอร์ชันของพระคัมภีร์ไทยนะครับฉบับ1971ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วโซลมอนตรัสว่าพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะประทับในความมืดทึบข้าพระองค์ได้สร้างพระนิเวศอันเป็นที่ประทับสําหรับพระองค์เป็นสถานที่เพื่อพระองค์จะทรงสถิตอยู่เป็นนิจแล้วพระราชาก็หันมาและทรงให้พรแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวง ขณะที่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงยืนอยู่พระองค์ตรัสว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงกระทําให้สําเร็จด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ด้วยพระโอษฐ์ต่อดาวิด ร, ราชบิดาของข้าพเจ้าว่าตั้งแต่วันที่เราได้นําอิสราเอลชนชาติของเราออกจากอียิปต์เราไม่ได้เลือกเมืองหนึ่งเมืองใดในเผ่าอิสราเอลทั้งสิ้นเพื่อจะสร้างพระนิเวศ เพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นแต่เราได้เลือกดาวิดให้อยู่เหนืออิสราเอลชนชาติของเราดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าทรงตั้งพระทัยแล้วที่จะสร้างพระนิเวศสําหรับพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่พระเจ้าตรัสกับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่าที่เจ้าตั้งใจสร้างพระนิเวศสําหรับนามของเรานั้นเจ้าก็ทําดีอยู่แล้วเพราะเรื่องความตั้งใจของเจ้า อย่างไรก็ตามเจ้าจะไม่สร้างพระนิเวศแต่บุตรชายของเจ้าผู้ซึ่งจะเกิดแก่เจ้าจะสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราบัดนี้พระเจ้าทรงให้พระสัญญาของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทํานั้นสําเร็จเพราะข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าและนั่งอยู่บนบันลังของอิสราเอลดังที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้และข้าพเจ้า ได้สร้างพระวิหารสําหรับพระนามของพระเยาววาพระเจ้าแห่งอิสราเอลข้าพเจ้าได้กําหนดที่ไว้สําหรับหีบที่นั่นแล้วซึ่งพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในนั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษของเราเมื่อพระองค์ทรงนําเขาทั้งหลายออกมาจากอียิปต์ี่นนอนครับข้อสําคัญในเช้าวันนี้อยู่ในข้อที่21ครับข้าพเจ้าได้กําหนดที่ไว้สําหรับหีบที่นั่นแล้ว ซึ่งพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในนั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําไว้กับบรรพบุตรของเราเมื่อพระองค์ทรงนําเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์พี่น้องครับหีบพันธสัญญานั้นก็มีพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่เหนื้อหีบนั้นพี่น้องครับนอกจากหีบนั้นจะเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วยังสามารถเรียก บริเวณที่เป็นฝาหีบนะครับว่าเป็นพระที่นั่งการุณาพี่น้องคงจำได้จากเมื่อวานนี้นะครับนั่นคือที่ประทับของพระเจ้าพี่น้องครับพันธสัญญาของอิสราเอลอย่าลืมครับว่าเราได้เรียนรู้ไปแล้วครับว่าถูกนำมาประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลังใหม่แต่ว่าหีบนี้เป็นหีบเก่าครับเป็นหีบแรกเลยที่โมเสสได้สร้างไว้และหีบนี้นะครับเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็น ของที่เล็งถึงการสถิตของพระเจ้าไม่ใช่รูปเคารพครับไม่ใช่เป็นหีบที่พวกมหาปุโรหิตหรือปุโรหิตจะต้องมาเคารพ บ, บูชาไม่ใช่ครับแต่เป็นที่ที่จะประพรมประพรมโลหิตเพื่อที่จะรับความกรุณาจากพระเจ้าเพื่อที่จะเข้าสู่หรื อ, ร อ, รอฟื้นพันธสัญญาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับรลักษณะของพระเจ้า ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและการสถิตของพระเจ้าที่อยู่ในพระวิหารในรูปของพระวจนะของพระเจ้าธรรมบัญญัติของพระเจ้าและสิ่งที่เป็นของอัศจรรย์ก็คือควันครับควันก็เข้ามาอยู่เต็มอยู่ในพระวิหารอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าอภิสุทธทิสถานครับพี่น้องครับความเป็นพระเจ้าและบุคลิกภาพของพระเจ้า ตลอดจนวิธีที่พระเจ้าได้ทรงจัดการหรือดูแลมนุษย์ดำเนินการกับมนุษย์นั้นล้วนแต่เป็นความกรุณาทั้งสิ้นเป็นความรักทั้งสิ้นเพราะมีพันธสัญญาไว้กับมนุษย์ประชากรของพระเจ้าคืออิสราเอลหีพันธสัญญานั้นมีพระที่นั่งกรุณาซึ่งพวกเขามีอยู่กับพระเจ้าของเขาครับพระเจ้าของเขาก็คือพระเยโฮวา ได้ทำพันธสัญญากับประชากรของโปรงตลอดเวลาครับนับแต่โมเสสเป็นต้นมาการอัญเชิญหีบพันธสัญญาเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเป็นเสมือนการเน้นถึงการขึ้นครองราชของพระเยโฮวาซึ่งเป็นกษัตริย์ของขึ้นอิสราเอลพระเจ้าผู้ปกครองอิสราเอลครับและโซมอนกำลังกล่าวว่าบัตรนี้ พระเจ้านั้นได้เสด็จเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าเป็นบ้านของพระองค์เสมือนพระราชวังครับเหมือนดังเช่นพระมาหากษัตริย์ซึ่งได้ของราชได้เสด็จเข้ามาประทับพวกเขาได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้สัมผัสถึงอำนาจอธิปไตยสูงสุดของพระเจ้าและความเป็นผู้ปกครองอิสราเอลตลอดกาลพระคัมภีรกล่าวไว้ในข้อที่8ครับบอกว่า ทานนะครับหามหีบพันญญาเมื่อวานผมได้กล่าวไปแล้วครับยาวมากจนออกมายื่นออกมานอกห้องอภิสุทธิสถานอย่างไรก็ตามครับนั่นเป็นเครื่องหมายที่ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงยื่นหยิบยื่นเอาพันธัญญานั้นออกจากสถานที่เรียกว่าบริสุทธิสุที่สุดหรืออภิสุทธิสถานให้กับมนุษย์ที่อยู่ภายนอกได้ ซึ่งของที่บรรจุในหีพัญญาเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวไปครับวันนี้ขอทบทวนคือมานาหีพัญญานี้เคยบรรจุมานาซึ่งมานานั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความสัตศ์ัื่อของการเลี้ยงดูของพระเจ้าการจัดเตรียมของพระองค์ในสิ่งต่างๆอย่างเพียงพอเสมอสําหรับประชากรของพระองค์มานามีไว้สําหรับรับประทานนะครับพระเจ้าจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอไม่ขาดไม่เกินแล้วแถมยังมีไม้เท้าของอารอนเพิ่งอย่างที่2ครับ ซึ่งเล็งถึงความเป็นปู่โรหิตของตระกูลอารอนครับในขณะที่ความเป็นปู่โลหิตนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเยซูคริสต์กับกลายเป็นมหาปูโลหิตของมนุษย์และเป็นมวลมนุษยชาติรวมถึงพวกเราด้วยครับพระเยซูทรงดําเนินการเป็นมหาปุ่โลหิตคือเป็นคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และประการที่3อย่างที่สาม ก็คือแท็บเล็ตครับแท็บเล็ตก็คือหินหรือศิลาจารึกธรรมบัญญัติ10ประการของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับโมเสสพี่น้องครับทั้งสาประการนี้เล็งให้เห็นถึงความสําคัญที่อิสราเอลจะต้องดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้พันธสัญญานี้และพันธสัญญานี้เป็นพันธสัญญานิรันที่พระเจ้าทําไว้กับโมเสสและประชากรของพระเจ้าตลอดจน ชาติชนชาติของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยพระสิริของพระเจ้านั้นเพิพ่มพีบอกว่าปกคลุมเป็นเมฆแสดงถึงการทรงสถิตของพระเจ้าซึ่งเติมเต็มอยู่ในพระวิหารครับปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นอยู่ในพระพลาครับในพระธรรมอพยพ บ, บทที่19ข้อที่9บทที่24ข้อที่15บถึงสิบหท้าพี่น้องลองอ่านดูกันนะครับบทที่19ของอพยพ บ, บทที่24ของอพยพเราจะพบว่าขณะที่พวกเขา ทำการถวายพระพร อ, องพระบรรเจ้านะครับในพระธรรมอพยพบทที่43ก็มีกับปรากฏครับพระเจ้าได้ให้เขารับรู้การทรงสถิตของพระองค์ก็คือพระเจ้านั้นเสด็จมาพระสิริของพระเจ้าเต็มพระวิหารครับและการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเป็นพระพรแก่ชีวิตของพวกเขานั้นเป็นอย่างมากแม้ว่าการทํางานของพวกโปรหิตก็ยังไม่สามารถทําได้เลยครับนะแปลว่า ขณะที่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงพระสิริของพระองค์ให้กับคนอิสราเอลนะครับมีสิ่งเดียวที่พวกเขาทําได้ก็คือกราบน้ำมการพระองค์ครับพร้อมๆกับชาวอิสราเอลทั้งหมดนี่คือสิ่งที่บูโรหิตต่างๆหรือคนที่ทําหน้าที่ต่างๆในพระวิหารไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้ไม่ว่าจะเป็นการคนที่ทําหน้าที่ต่างๆอะไรก็แล้วแต่เมื่อพระสิริของพระเจ้ามาปรากฏเขาจะต้องกลับกลายเป็นผู้น้ำมศการพระเจ้า โซโลมอนได้กล่าวถึงความปรารถนาของกษัตริย์ดาวิดที่จะสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้าแต่พระเจ้าได้ทรงให้สิทธิ์ในการสร้างนี้ตกเป็นของกษัตริย์โซโลมอนตามที่พระเจ้าสัญญาไว้กับดาวิดพระราชบิดาของพระองค์พระวิหารหลังนี้จึงเป็นพระวิหารหรือเป็นบ้านของพระเจ้าซึ่งจะจารึกพระนามของพระองค์พี่น้องครับคําว่าพระนามของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่14บสีครั้งด้วยกันครับตั้งแต่ข้อที่16ถึงข้อที่20 นั้นแสดงว่าพระนามของพระเจ้านั้นเป็นพระนามที่พระนามเดียวที่จำเป็นที่เราต้องเคารพศักดิระเป็นพระนามเดียวที่เราจะต้องให้ความเคารพให้ความยำเกรงเพราะว่าพระนามนั้นก็หมายถึงคือพระองค์เองพี่น้องครับพันธสัญญาของโมเสก็เป็นพื้นฐานแห่งสามัคคีธรรมที่ชาวอิสราเอลจะต้องมีกับพระเจ้าและชาวอิสราเอลจะต้องมีแก่กันและกัน ชาวอิสราเอลนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับและโซโลมอนกําลังแสดงตัวให้เห็นถึงความถ่อมใจครับและการสํานึกในพระคุณของพระเจ้าทําให้เราเห็นว่าพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นทําสะท้อนถึงพระกรุณาและความชอบธรรมของพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้านั้นโปรงส่งยุติธรรมเที่ยงธรรมชอบธรรมพระองค์ปรารถนาที่จะให้ชนชาติอิสราเอลนั้นมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงธรรมชอบธรรมมีชีวิตแห่งความชอบธรรม มีชีวิตแห่งความยุติธรรมเมื่อพวกเขาเข้ามานมัสการพระเจ้าในภาวิหารพี่น้องครับการเข้ามานมัสการพระเจ้าของเราเป็นอย่างไรไงบ้างครับการเข้ามานมัสการพระเจ้าของคนยิวนั้นพระเจ้าเชื้อเชิญเข้ามาด้วยความรักสเต็ปแรกก็คือความรักกับแต่สเต็ปที่2ก็คือความชอบธรรมความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมความยุติธรรมมี2 ส, สเต็ปในการนมัสการพระเจ้าเสมอเพราะว่า ทั้งสองเศษนั้นได้สะท้อนถึงพลักษณะของพระเจ้าก็คือความรักพระเจ้าเชื้อเชิญให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยความรักแต่เมื่อเราเข้ามาแล้วเราจะต้องรับการช่ำระแล้วจ้องละกับรับการประพรมด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะต้องไม่เพียงแต่ใช้ความรักรับความรักของพระเจ้าอย่างเดียวแต่เราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมยุติธรรมเช่นเดียวกัน อาเมน